ภาคปฏิบัติการทุกมีทุกมาอย่าเสียท่าเอาใจารับ <sme> แต่จงเรียกปัญญาให้มาจับเอาทุกขประจัดการเมื่อจะพัฒนาความสุขก็ต้องไม่มองข้ามคำว่าทุกข์เพราะรู้อยู่ชัดๆว่า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 เพราะว่าในกระบวนการดับทุกนั้นไม่ว่าจะสุขแค่ไหนก็ต้องให้ถึงขั้นไม่มีทุกขเหลืออยู่เลยจึงจะจบจึงจะครบเต็มความหมายถ้าบอกว่ากระบวนการพัฒนาความสุขก็เป็นปลายเปิดเรื่อยไปไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถึงจุดหมายด้วยเหตุนั้นเมื่อว่าตามหลักวิชาท่านจึงใช้สมนวนนี้หรือในแนวนี้ว่าเป็นการดับ อย่างไรก็ตามมีแง่ที่ต้องพูดเพิ่มเติมให้เข้าใจชัดขึ้นอีกว่าคำว่าดับทุกข์ที่ถือว่าแปลจากคำพระว่านิโรดนั้นได้แฝงปมปัญหาในทางภาษาเอาไว้ด้วยคือปมความไม่ชัดที่อาจจะทำให้เข้าใจเขวะกล่าวคือเวลาเราพูดว่าดับทุกข์จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าทุกข์มีอยู่มีอยู่เราก็คอยดับคอยดับ เราก็เลยจะต้องคอยดับทุกข์กันอยู่เรื่อยไปความจริงนั้นนิโรธในภาวะที่แท้หมายถึงการไม่มีทุกข์เกิดขึ้นหรือภาวะที่ทุกข์ปราดไร้หายหมดไปเลยนี่คือความหมายที่ต้องการนิโรธในขั้นสุดท้ายก็คือ น, นิพพานจึงเป็นภาวะที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกบางครั้งท่านอธิบายด้วยคำว่าอนุ ป, ปาทนิโรธก็แปลว่า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 ขอให้ดูตามลำดับต่อไปนี้อริยสัจข้อที่หนึ่งทุกสภาพกดดันบีบคั้นเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาหรือสิ่งสรรอันมีวิสัยให้เกิดปัญหากิจคือปริญญาแปลว่ารู้รอบหรือรู้เท่าทันอริยสัจข้อที่สองสมุ ท, ทยัยเหตุให้เกิดทุก กิจคือปหาะแปลว่าละกำจัดทำให้หมดสิ้นไปอริยสัจข้อที่สนิโรธภาวะไรถุกกิจคือสัจจิกิริยาแปลว่าทำให้แจ้งทำให้ประจักษ์ทำให้เป็นจริงขึ้นมาหรือให้ได้ให้ถึงอริยสัจข้อที่สี่มัก วิธีปฏิบัติให้ถึงภาวะไร้ทุกข์กิจ ค, คือภาวนาแปลว่าทำให้เป็นให้เกิดให้มีเจริญปฏิบัติหรือลงมือทำกิจต่ออริยสัจสี่นั้นว่าระนี้ไม่ใช่โอกาสที่จะอธิบายเพียงแต่ให้รู้ตระหนักไว้ต้องถือว่าสำคัญอย่างยิ่งคู่กับตัวอริยสัจสี่เองทีเดียว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 เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาพูดในสั้นอีกหน่อยว่าทุกนั้นสำหรับรู้เข้าใจหรือทุกนั้นสำหรับปัญญารู้อย่างน้อยขอให้เข้าใจง่ายๆว่าเหมือนเราจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ปัญหาจึงจะแก้สำเร็จได้ที่จริงความหมายของทุกไม่ใช่แค่ที่คนทั่วไปพูดกัน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 ก็อยากเก็บเอาไว้ให้อัดอั้นในใจรีบส่งต่อให้ปัญญาเอาไปหาทางจัดการถ้าเอาทุกมาเก็บอัดไว้ในใจนอกจากไม่ได้แก้ไขมีแต่ทุกขเปล่าๆแล้วตัวเราก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าส่งต่อให้ปัญญานอกจากมีทางแก้ไขชีวิตของเราก็จะได้พัฒนาจําเป็นหลักไว้เลยว่าทุกข์ไม่ใช่ธุระของใจแต่ทุกข เป็นธุระของปัญญาใจมีหน้าที่ใช้ปัญญาใจไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เจ้าของเรื่องคือปัญญาที่มีหน้าที่แก้ปัญหาดับทุกข์ปัญญาดับทุกข์ได้แถมระหว่างนั้นยังสร้างสุขให้ด้วยใจมีหน้าที่ประจักษ์ในความสุขจงพัฒนาใจให้เก่งในการมีสุขและพัฒนาปัญญาให้เก่งในการแก้ปัญหาดับทุกข์ ใจดีต้องมีสุขได้ปัญญาดีต้องดับทุกได้แต่ใจจะดีมีสุขจริงแท้ก็เมื่อมีปัญญาดับทุกให้หมดไปสิ้นเป็นอันว่าต้องทำให้ถูกต้องปฏิบัติให้ตรงตามกิจต่ออริยสัตว์ถ้าเจอทุกข์ใครเอามาเก็บอัดกดดันบีบคั้นทําจิตใจให้ขับแขนหมกมุ่นขุ่นมัวเศร้าหมอง